b o o k 2 35 35ที่สนามบินอรุวอสเตอร์ดิฉันขอจองเที่ยวบินไปเอเธนค่ะหนรียากจะซื้อตั๋วไปเอเธนส นี่เป็นเที่ยวบินที่บินตรงใช่ไหมคะอารเตติสโกินสครีดสขอที่นั่งริมหน้าต่างและไม่สูบบุหรีค่ค่ะพระโช ว, วีตาเรียลลังโญเนรูคอนติมส์ดิฉันขอยืนยันการจองคะ่ะโนริอาชูปะเวรันจูซาคิมะดิฉันขอยกเลิกการจองคะ่ะ โนริโชอโนริวะติอุซากิมะดิฉันขอเปลี่ยนการจองค่ะโนริโชปากิสติอุสากิมะเที่ยวบินไปโรมเที่ยวต่อไปออกกี่โมงคะคดัสเครนเดออาร์เตเมอส์แท็กันที่สิลิคตูว์วิสิโรมยังมีที่ว่างอีกสองที่ไหมคะ Ar d ด ja r เ ja r ด d v ไลส์ฟูสเบียตุสไม่เรามีที่ว่างอีกเพียงหนึ่งที่เท่านั้นค่ะแนม i มสตูร์มิติกเวนลาสวาเวียตาเราจะไปถึงเมื่อไหร่คะ u าเดโนสเลสใช่ไหมเราจะไปถึงที่นั่นเมื่อไหร่คะ รถบัสไปกลางเมืองออกเมื่อไหร่คะคดาวาจูเออทูบัสส์อิมิอส์รูดเซนทรานี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะอาร์ตีเรยุสุลเลอร์เมนนี่กระเป๋าถือของคุณใช่ไหมคะอาร์ตีเรยุสุเกรบชีสนี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะ Ar t ์ i y r ย jūsų bagažas? ดิฉันสามารถนำกระเป๋าเดินทางไปได้เท่าไหร่คะ k ิบบากาสุเกลุปสิมต i ยี่สิบกิโลกรัมอะไรนะแค่ยี่สิบกิโลกรัมเองหรือคะิ